เป็นอย่างนี้เองชีวิตก็จําไว้ครับบาง ในสะตาเพื่อนบ้านก็ก็คนบ้าๆบอๆบวม เคยยินคนแก่พูดมั้ยครับว่าเรามามือเปล่าตีนเปล่าแล้ววันหนึ่งเราในท้องแม่ <laughs> <laughs> เพื่อนอาจจะแต่งตัวให้เวลาอยู่ในโรงๆไม่รู้เลือกนำมามือเปล่าตีนเปล่าแล้วกลับตีนมือเปล่าบางทีผู้รู้บางท่านน่ะพูดนะครับว่าชีวิตเราฝันเท่านั้นว่าเราเกิดมาแล้วในสุดเราก็จากไปถ้ามองไปแล้วเรามาสู่โลกนี้ชั่ว 70 50 ต่อให้ 90 ปี 100 ปีเทียบกับอายุของจักรวาลนี้ครับอายุของโลกนี่ มันจะฟังไม่ออกครับเมื่อพูดถึงเรื่องแก่เท่าเรื่องกาเท่าเรื่องจะรามอรนอ ต่างคนต่างไม่รู้ต่างคนต่างเป็นทุกข์เราเจออยู่ข้างแม่แม่ผัวนะครับตั้งหลักคิดว่าแม่ผัว หรือว่าคนหนุ่มสาวยังแม่เนี่ยเป็นห่วงเออนึกออกว่าแม่เป็นทุกๆ1 สถิติรายงานว่าเด็กหนุ่ม ทุกๆ1 นาทีต่อ 1 1 คน 10 นาที 10 คน 20 นาที 20 คนคิดดูวันนึงกี่คนนะวิ่งออกจากบ้านไม่ใช่วิ่ง พอจะพบบอยเด็กหนุ่มสาวเค้าจะโต้ตอบพ่อแม่ที่มัน <laughs> ตัวนี้จังเร speaker, a me experiences, analysis of laser magic and empirical damage. ถ้ามา Blaze the issue of image kind-of slinky identity. หรือ미 Porria is the issue of clan clipping itself or the idea of living within the people. รู้ feels about a world andbah, that mostly from genias is habibaciones of world are microaphomacy. ตัวนี้,ที่ subjected to Agilchus or Polian ผมพูด 2 วันถ้าเพียงแต่คนทุกคนในโลกนี้มารู้สึกตัวเท่านั้นนะครับโลกนี้ประสบ คนทุกคนมันรู้สึกตัวเท่านั้นนะครับภายในพริบตาเดียวเนี่ยโลกจะสงบเย็นทันทีจริงมั้ยจริงมั้ย ถ้าอย่างนั้นครับป่าจะเขียวสุอุ่มลมทานจะสายสะอาดคนยากไร้ ลดลงมาได้นประเทศนี้เจริญนะจริงมั้ยเอาลดลงมาแค่สุราษฎร์ธานีแต่คนรู้สึกตัวสักสักครึ่งนี้ กิฑุราษฎรราษฎรที่ที่ที่ทุว่าไอ้ความ 5,000 ถึง 6,000 ล้าน ในมหานครในใจนิวยอร์กแฟรงค์เฟิร์ตหรือ 5 ล้านเศษๆทุกๆวันข้างผู้คนเดินไปเดิน 4 แยกแล้วตั้ง นอกจากปัญหานู่นไม่มีคําตอบๆแต่ละคุณรู้จักความสุขหรือเปล่ามีธุรกิจ แล้วมันก็ยืนฝีแยกแล้วถามโอ้ยสุขเสือกกันอะไรกันต้องมีเงินเยอะๆมีอำนาจมากๆมีบ้านใหญ่ๆ คนทุกคนมันคิดครับนั่งในรถเมล์ในเรือไฟนั่งในเครื่องบินๆครับจริงมั้ยสมมุติคิดเรื่องนึงนี่เหรียญตกออกมาเหรียญ คือหนี้ชีวิตครับคือจําได้มั้ยก็เป็นหนี้คล้ายๆไปกู้เข้า ตําแหน่งนั่งจนรถเมล์มาลืมตัวรถเลยไปเลยเลยตกรถ โอ้โหเวลาๆสําหรับเข้าใจไหมครับธรรมเข้าใจมั้ยครับทุกขั้นทุกตอนทุกวินาทีทุกกิจกรรมการงานเนี่ยเราๆมาก็ 2 อย่างนะครับคือความคิดที่เราด้วย สีหรือขวานเรื่อยๆหรือจอบเรารู้จักมันๆแต่เอาความ sleepwalk นะครับแล้วก็จับมีด <Sleep> ลิววอกเค้าก็ตื่นขึ้นกลางดึกผมเห็นนะแล้ว <c oughs> เน้นความคิดที่คิดโดยไม่ครับระวังให้ดีนะวัน มันยิ่งตื่นมันยิ่งดีมันยิ่งส่งกําลังดังนั้นที่ผมบอกว่าๆเนี่ยที่จริง แล้วพอตกกลางคืนเราก็ฝันฝันคือคิดนั่นเองครับตอนกลางวันนี่เราก็ฝันนะมันนั่งใต้ลําไม้ก็คิด แต่เมื่อใดที่คิดขึ้นมาแล้วไม่รู้ตัวนี้ มันพาไปเลยมันบอกไปสิไปหัวทิ่มลงในคือมันอินทรีย์นะครับทางใจเนี่ยอย่างแขน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 นะความคิดเหมือนกันครับเมื่อไม่รู้มันคิดเข้าไปสู่ฝ่ายอกุศลเรื่อยดูกระตู่เรื่องดูแต่ผมไม่ได้ เด็กๆดูกันก็ฝงก็เลยดูที่เด็กๆก็ดูกันด้วยนั้นคล้ายๆเป็นสัญลักษณ์ของ นั่นเปรียบด้วยความคิดครับเปรียบด้วยความคิดครับมันคิดเดี๋ยวก็ได้เรื่องคิด สนอวายสอนอะไรเราครับจริงๆแล้วสนอวายหรือแก้วหน้าม้านะครับเป็นนิยาย ซีนบทบาทลงเข้าใจมั้ยครับเหมือนเรายกมือ เมื่อสมัยเป็นนักบวชนี่ไม่ใช่นินทาพระนะฮะนินทาตัวเอง ทีนี้ย้อนไปดูสโนไวท์หรือแก้วหน้าม้านะครับแต่มันแสดง 2 บทบาทไอ้ตัวพระ แต่ตุ๊กกานามานนั้นถือมีดิโตซึ่งไม่งามหน้าตา เถ러 ทะลา โอ้ล็อกิวาผมไม่นักดูการ์ตูนนี้ไงไม่ใช่อย่าง 7 คนซึ่งแต่ประหลาดเป็นรากนายคน <laughs> <laughs> เมื่อได้กระตามที่เรากลับมา carding รับรับรักษณะที่แกลน튼候 tôi เมื่อนนั้นเราจะมีュежду glasses ในすご blessing痛tat Mentoring we areモalicina.ri.pifs. จะมีชหมึก magical แบนชDR會 แบนร์นที่rän Part 1 ที่ IX 1991余 colour ลักษณะของเรา still in Ph SEC teenagers, ruim cerial двух limitations 재 È Вы successful with them directly. dinกลับมา neurohumized freedom, 인โชค ดation. ton cell Grid Vous account for abuse but the fact is Long self- CAD. So we relate to that You have September. cordiali โก y Hertz e Z DON of these the free dualplatz собствен chakra. แทนฝรั่งเดนมาร์กก็กลุ้มตั้งแต่ถึงวันหนึ่งคิดว่าเอ้าแบนก็แบนความทุกข์หายไป บอดแล้วยังไม่ยอมต่อสู้อยากให้ดีทีนี้ยุ่งใหญ่แล้วแต่วันหนึ่งคุณจอมท่านโอ้บอดก็ดีเหมือนกันก็เหลือข้างเดียวก็ถูกถูกปลั๊กดํา ก็กลับไปอยู่สภาพเครอะแกรนที่สร้างเป็นสัญลักษณ์อืม นี่ปง่วงก็มาพยายามต่อสู้เบิ่งตาขึ้นจริงง่วงหนักครับที่จริงเราต้องปรองดองพอ เหมือนที่ผมบอกง่วงนอนก็เขกตัวเองเว้ย 4-5:00 ๆๆใช่มั้ยแต่ว่า doctor ก็ได้ยินภาษิตอะไรนะครับที่ว่าข้างนอกขรุขระข้างในขึ้นมันก็ค่อย โดยใหม่นะครับถ้าไปวางฟอร์มหรูหรูแล้วข้างในไม่ทะทิ้งหนองมันจะขลุขลือด้วยเป็นผู้รู้เป็นศาสดาขึ้นมามัน แสดงนี่เหมือนบทบาทมากสงบมากนั่นคือวุ่นที่สุดเลยข้างในเพราะมันอยากจะ มันความสงบในหมายลึกๆในของมันนะครับสารัตถะเนี่ยเติบฟูฟื้นฟู เนื่องออกอีกครับก็ไม่ต้องไปสนใจแล้วครับเราจะปฏิบัติ ปลาไพรมือ เพื่อเข้าใจเรื่องความรู้สึกตัวในการ ต่างๆในชีวิตประจําซึ่งต้องทําตามกฎ ผมรู้สึกตัวกับหลายๆอย่าง องค์คู่ขอดลมีด้วยในประเด็นนี้พิธีกรรม เช่นก่อนที่เราจะเคลื่อนมือเราก็ <c oughs> Professor Alden Hammer long play พิษีณนตจะคีตะวาฑิตะนตจะคือนาฏะนะครับนาฏะ ไม่ให้ร้องให้รำไม่ให้ดูการวุ่นวายห่อนแอนั้นสรอกศีลไมไม 8 แต่ ต่างว่ามีนักปฏิบัติธรรมคนหนึ่งครับเคยเป็นนักร้องหรือนักดนตรีเขาจะต้องเลิกอาชีพหรือความหรือทักษะของเขาด้านนั้นมั้ยผมคิดว่าเขาไม่ควรจะเลิกแต่บัดนี้ก็ควรจะเล่นดนตรีสมัยด้วยจิตใจใหม่ด้วยระเบียบของความรู้ คือไครก์ดอมที่ไม่อยากจะทิ้งทักษะเก่าเพื่อสติขาดยิ่งยิ่งขึ้นใช่มั้ย อารมณ์พื้นฐานจะสถิตครับไม่เป็นจริง<ใช> เลขที่แต่ล้องทํานองเดียวพระสวดมนต์นะครับก็คือก็พระร้องเพลงแต่ แต่ว่าได้